การทำงานให้ชีวิตยอยู่รอดปลอดภัยชีวิตแจ่นใสชีวิตมีปัญญาชีวิตมีหน้าที่การงานทำนั่นแหละคือกรรมาฐานที่ถูกต้องแล้วแต่การปฏิบัติธรรมของเราท่านทั้งหลายอย่างน้อยนะัากเพาการปฏิบัติธรรมนีเน่เราต้องการให้เรากำหนดจิตโดยมีสติทุก อ, อรียบท เราอยู่ในอลิบทใดก็ต้องกาหนดตั้งสติสารวมเนี่ย้งวรระวังตลอดกระทั่งรับทานอาหารถ่ายอุจจาระปัจสวะก็ต้องระวังสารวมตั้งสติตลอดรายการเรียกว่าการทำเป็นธรรมะทุกอย่างทุกอริบทที่มีอยู่ในตัวบุคคลของนั้นแต่บางคนไม่ปฏิบัต รู้ไม่ปฏิบัติไม่ทําก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดสําหรับผู้ปฏิบัตินั้นเขาให้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติทำแต่เราก็ไม่เดียปฏิบัติในธรรมะเราปฏิบัติในธรรมะนั้นก็คือเจริญสตินั่นเองให้มีสติอยู่กับจิตธรรมะถึงจะสิงสถิตอยู่ในใจิตใจทําให้เรามีปัญญาได้ทํำให้เราเกิดรับผิดชอบในหน้าที่การงานขึ้น ทำให้เรารู้ซึ้งกข้ไปถึงเหตุผลข้อเท็จจริงในชีวิตทางถูกต้องนน ม, มาชีวิตถูกต้องแล้วอยู่ด้วยความถูกต้องเกิดมาก็ถูกต้องจะทําอะไรก็ถูกต้องไม่จะถูกใจการปฏิบททัติธรรมถ้าเราทําได้ปฏิบัติโดยติดต่อกันไปมันจะซึ้งเขไปซึ้งเขไปมันจะเจาะให้ลึกก็เข้าปัด ข่าหลักที่ว่าเธอเจาะเจาะให้ลึกเจาะให้มันถึงสติสติเจาะให้มันถึงจิตจิตเจาะให้มันถึงปัญญาซึ่งจะได้ผลในงานทางศาสนที่โทนอุบาสกมฏราการก็เป็นอุบาสกบรรคากาเพาียงแต่ชื่อแสดงตนเป็นอุบาสกมรคิคการยอมรับนับถือยึดมาปฏิบัติ เนียกว่ารับถึงสมาทานตกรมาทานเป็นต้นแต่แล้วเราเป็นนักปฏิบัติก็ต้องทาตามที่เรารู้และ่ยทำตามที่ขอปฏิบัติทุกประการจึงจะได้ผลไม่เชนั้นท่านจะไม่ได้ผลเราจะรู้ว่าผู้ที่ใดมีธรรมะผู้นั้นจะสำรวมอยู่เสมอสังวร อ, อยู่เสมอ ละวังอยู่เสมอไม่พลาดในสมาธิเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมถ้าผู้ไล่ทำชีวิตหมดค่าหมดราคาแล้วตัวเราก็หมดราคาชีวิตก็ต่ำจิตใจก็ต่าลงไปตามระดับถ้าจะพูดอะไรก็พูดถ้าจะทำอะไรก็ทำตามน้ำเพือน้ำจัดไม่มีสติยึดเหนี่ยวทางสิต ขาดสรวมชีวิตจิตอาบปางจิตอาบเขาขจิตอับจนไม่เป็นผู้คนที่มีสติปัญญาแต่ประการใดคนเราทั้งแต่่างโดยมีสายปัจจัยออกมาอย่างนี้แต่คนมีธรรมะประจําจิต ก, กําหนดอยู่ตลอดเวลาการแล้วคนนั้นจะขยันรับผิดชอบในหน้าที่เสมอทําตามหน้าที่ของตนรับผิดชอบ ทั้งตาก็กำหนดทั้งหูก็กําหนดจมูกก็ต้องกําหนดลิ้นรับด้วยก็กําหนดตั้งตสติไว้ทุกอวัยวะบดจะยืนเดินนั่งนอนให้มันเท่ากันถึงจะเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมอันแท้จริงแต่เราปฏิบัติธรรมกันไม่มีชื่อที่แท้จริงให้เกิดผลกับตัวเองแต่ประการใด เราจะเห็นผู้ที่มีธรรมะประจําติดประจําใจประจำครอบครัวบ้านนั้นจะคารวมหมดจะชงวอนและระวังไม่ประมาททำอะไรก็ไม่พลาดไม่พลังทำอะไรก็มีสติยิบมันจะขยันไม่พักคนที่ไรธรรมะขาดตติจะขี้เกียจไม่พักจะไม่อยากเอางานเอาการไม่อยากจะเริ่มดมําเนินงานอะไรออกมาชัดเจนมาก อันนี้ใครเถียงพรจะพุทธเจ้าไม่ได้ที่เจ้าสอนอย่างนั้นคนที่คดในข้องอในกระดูกก็คนไรธรรมะคนลรสิ้นธรรมมันจึงคดในข้อมันจะงอในกระดูกมันปลูกพันุ์ไม่ได้คนเราเดี๋ยวนี้คดในข้อเยอะงอในกระดูกมากเป็นทองก็ยังดียังไถนาได้ แต่มันโคตรที่ทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันหมดลดหมดทำหมดลดหมดทำหมดเชื่อหมดชาติหมดะกายความดีในบุคคลนั้นมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้คนที่ไล่ธรรมะขาดสติมันจะคตในข้อมันจะงออยู่ในกระดูกมันจะปลูกพัน์แต่ความขี้เกียจและขี้ค้าดมันจะเกิดขึ้นทุกเวลาจะไม่อยากเอางานเอาการจะไม่อยากรับผิดชอบตัวเอง ถ้าเราไม่รับผิดชอบตัวเองแล้วไม่ต้องกล่าวไปไว่ายายมีไปสร้างความเดียอคนอื่นรับมันจะรับผิดชอบคนอื่นไม่ได้เช่นเดียกับแค่ตัวเองก็รับผิดชอบไม่ได้แล้วก็หมายความว่าเราจะช่วตัวเองก็ไม่ได้แล้วจะพึ่งตัวเองก็ไม่ได้แล้วจะแมวตัวเองก็ไม่ได้อย่างนี้จับทุกแบบ ก, ก็ไม่ได้นั่นคือมาได้ดซ้ำรวม การที่เราตั้งสติอยู่ที่กิจเนี่ยเป็นการสำรวมเป็นการสงวรสังวรเนี่ยกขพูดมานานแล้วต้องมีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ไหมว่าข้าพเจ้าเดินอยู่รู้ตัวว่าข้าพเจ้านัง่งเรียบร้อยไหมรู้ตัวว่าข้าพเจ้าพูดงั้นกล่าววาจาถูกต้องไหมกล่าวในการที่ควรกล่าวไหมอยังนี้เป็นตน้นกล่าวด้วยขจารความจริงไหม จะออกมาบอกเราเองกล่าววาจากล่าวโดยการในเวลาถูกต้องกล่าวโดวยขัดจ้าความจริงกล่าววาจาที่เป็นคุณประโยชน์ต่อกันไหจะบอกเราเองได้นี่กล่าวอย่างเดี๋ยวจะกล่าวด้วยวาจาสุภาพเรียบร้อยและอ่อนหวานอ่อนโยนมีประการที่ห้านั่นแหละจะกล่าวแต่ความรู้สึกที่มีเมตตา อยู่เสมอมาถึงจะถูกต้องควรประแภทนี่มีธรรมะเนี่ยกล่าวตามการา ก, กล่าวตามเวลาไม่ถึงเวลาก็จะไปกล่าวกล่าวแซงแนวแซงเข้าไปมันจะไม่เกิดประโยชน์ผลที่ผลสําเร็การใดคนที่เขาไม่ีเหตุมีผลปฏิบัติธรรมะได้ก็จะกล่าววาจาตามการตามเวลาที่คุณจะกลา่าวชัดเจนมาก กล่าวแต่สัจจะที่ความจริงเสมอกล่าวแต่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อกันเสมอต่อกล่าวที่มีคุณมีประโยชน์ต่อกันกล่าวด้วยวาจาสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนและอ่อนหวานเสมอห้ากล่าวด้วยความรู้สึกที่มีเมตตาอยู่ในจิตกล่าววาจาด้วยเมตตาไม่มีอะไรมาเคลือบแฝง แต่ประการใดอย่างนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติทำได้จางเวอมาตาวาจากล่าวอันใดก็เป็นความจริงอันนั้นจะไม่แต่งเติมเสริมส่งแต่ประการใดเลี๋วนี้มันแต่งกันเลือกเรือกเกินเติมไม่นอนเติมไม่นี่ก็เสียหายฟังไม่ได้ฉับแฉบจับกระเดียดปนินชาตาเลมเทน้ำไม่ชอบข้าเหมือนเอามือกมาเกลี่ยหิน เอน้ำไปมันก็เสียหายแทบลงทผดินปัดไม่มีอะไรเป็นอาจินและสินสานแต่ตัวเองแต่ประการใดญาติโยมปลอดพิจารณาตัวเองเรามาปฏิบัติทำได้อะไรบ้างบางคนก็เกรินถามว่าไม่เห็นตัญญาเกิดมันจะเกิดได้ยังไงเล่าสติไม่มีเลยมันจะเกิดได้ยังไงล่าสมาธิก็ไม่เกิดขึ้น แล้วปัญญาของท่านจะสะสมได้อย่างไรแล้วก้าวต้องมีที่เกาะพอที่มีเก็บที่เก็บการปฏิบัติธรรมต้องการจะสืบเสาะให้ลึกถึงหลักธรรมที่มันแจ้งใจให้แก่ตัวเราเองอย่างนี้เป็นต้นต้องคนไม่เอาเหนือเอาใต้แล้กวก็ปฏิบัติแค่วันเดียวสองวันมันไม่ได้อะไรเดินวงกลมยังไม่ได้เลย บางท่านเดินหน่อก้าครั้งถึงสิบห้านาทีสติเขาก็ดีขึ้นเดินหน่อก้าวครั้งถึงห้าสิบห้านาทีแล้วก็เลื่อนตาดูเท้าก้าวไปก้าวช้าช้าขวายาหน่อเอาสติปากไว้ที่จิตที่กำหนดจิกลายเท้านั่นแหละเป็นการสาลุเป็นการระลึกสำารวมเนี่ย สังวรก็คือมีสัมปชัญญ ะ, ะปัจจุบันเรียกว่าสังวรละวังคือได้ผลเกิดขึ้นจากตนด้วยความไม่ประมาทไม่พลาดในครั้งแต่ตรงไปจนมาสืบเจาะสืบเจาะต่อตรงนั้นเจาะให้มีสติสติให้มีให้มีปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้นเอง เป็นการสะสมเข้าไว้ทุกวันได้โยมมาสะสมแค่วันสองวันมันจะได้อะไรเนี่ยจะไม่ได้นะต้องทำติดต่อแ น, อน่อนกลับไปบ้านแล้วก็ต้องทำตามันใช่อยู่ทุกวันหูก็ใช้อยู่ทุกวันสมูทก็ทใช้หายใจทุกวินาทีไม่งั้นตายปากก็ใช้พูดอยู่เส ม, มอร่างกายช้งขายก็ใช้มันตลอดวั น, นยะมค่า เฉพาเจริญพรญาติย่องวะเราเลี้ยงโคถึกมาเลกคาไว้ใช้งานเลี้ยงช้างไว้เฉ็นซุ่มแต่เราเลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยเลี้ยงร่างกายเล้ยงขาไว้ใช้อะไรบ้านประธานตีความหมายนี้ไม่ออกท่านว่าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติทรรมใช่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตถ้าเหนื่อยยากแสนจะคิดใช้ชีวิตต่อการปฏิบัติธรรมถึงจะมีประโยชน์ ไม่ใช่มานั่งกินกินมาจ้าแล้วมานั่งคุยกันเดินผึบผุดผเหมือนเดินสวนสนามกคอนนี้จะมาสอนไม่นี้ออกมาเพยงผ้านแล้วเดินจงกรมไปห้องน้ำเดินจงกรมไปไปไ ป, ไ ป, ไปห้องอาหารแล้วไม่เคยพูดกันแม้จะคำอยู่มีอย่าทิ้งเลือดล่าวไม่ฟังว่าปากไม่พูดจิบไม่คิดถึงจะเป็นสมาธิภาวนา ปาก็ยังพูดกันอยู่ไอ้จิตอยากคิดฟุ้งคาไม่สำรวมไม่ชงวอนไม่ระวังรับรองไม่ได้ดผลกลับไปบ้านแล้วก็มีตาก็ดูก็กาหนดเห็นหนาเปล่าเลยดูทิ้งทิ้งห่วงควดูแล้วเกกาก็เหยียบมันไปเลยคนที่ดูด้วยปัญญาเห็นอะไรเกกากเขาก็เก็บเขาจะกวาดนี่ปฏิบัติธรรม หูใช่เป็นประโยชน์ทั้งสองหูอย่าใช่แต่หูเดียวเสียงหนอเขาจะว่าจะด่าเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาปละหลด่าเนี่ยมันไม่เจ็บไม่แหนมเหนอดเ็ษเนื้อมันจะไม่เหลือวิสายแต่เราก็ไม่สามารถจะใช้ธรรมะไว้ที่หูเลยก็สรุปได้ความมากตาก็ไม่มีสิ่งหูก็ไม่มีเสิยง ตาจะมีทรับได้ยัยงไงหูจะมีซัพย์ยังไงตาก็ไม่มีซั์กลับพูดทะเละทรายมาเดยวกล่าววาจาด้วยความถูกต้องของหลักธรรมมะแต่ประการใดจะออกมาอย่างนี้ชัดเจนมากแล้วอาจารยจะได้จึงไหนเวลาคิดอะไรคิดไม่ออกก็ไปนอนกลางผาแล้วออกไปเที่ยวนอกบานให้มันคิดออก อยู่ตรงไหนต้องกําหนดตรงนั้นซิกําลังอยู่ที่ห้องนอนคิดไม่ออกแล้ว ก, กําหนดว่าคิดหนอคิดหนอที่ไหนลิ้นเปยหายใจยาวๆเดี๋ยวคิดออกแล้วเขียนมาลงไปว่าเตรียมให้พร้อมเช่นในวันนี้เพื่อสัมภาระที่ต้องทอําวันพรุ่งนี้จะต้องเตรียมอะไรบ้างไอ้ชาตรีมันจะบอกทุกระยะแต่คนที่ลายสิงทําขาดปฏิบททัติธรรมมันจะไม่มีความคิดอย่างนี้ มันจะคิดออกไปเละเพลราพาดถ้าจิตมันตามจุดมันชั่วมันจะคิดแต่องชั่วเสมอเป็นของหดีถ้าเขาติอยู่กับจิตตลอดเลยบริการมันจะคิดแต่มีปัญญาทําให้เกิดเหตุผลทําให้แกปัญหาไปในตัวตนต่อไปได้แต่แล้วเราก็ไม่อกทําอย่างนั้นกันนะแ้่บางคนกลับไปพูดล้อเลียนไปวัดน้องๆแหนๆมาเลยได้อันแหน่น้อๆมา ได้กั น, กนแนะการแหนะไปสู้ซาสู้ซาได้สู้ซากลับบ้านได้โคกกลับบ้านแล้วกลับไปบ้านเข้าไปสู้ที่โน่นไปซาที่นีอย่างนี้เป็นต้ออนอาจจะมีสติ ป, ปัญญาได้อย่างไรขอเตือนพวกปฏิบัติธรรมด้วยจะเป็นท่านผู้ใดก็ตามมัวไปนั่งคุยกันมันเสียเวลาน่าทุเดินสิมันหมดไปแล้วเรียกคืนไม่ได้ เราเลี้ยงสังขารเดี๋ยวก็ตายแล้วใช้เป็นประโยชน์หน่อยได้ไหมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายใช้งานมีประโยชน์ดีเลี้ยงช้างเอาไว้เข็นทรงเมื่อสมัยโบราณอาตมาไปเด็ทไปดูเขาช้างมีห้าเชี่ยงเข็นทรงพักเรียหมดแล้วเป็นกองกองเข็นลงไปชายน้ําเขาเตรียมจะไปทําแพรล่องมาพระนครสุนเทศร้างสําคัญมากใช้งานได้มาก ข้างเป็นขัดใหญ่เดือเป็นช้างครูบานคร่เมืองเอาไปรบประดายุทธวิธีเส่นสมเด็จตระเลยสวนมหาลาศเป็นต้นช้างถเวชชนดอนช้างปัจจยนาช่างเผือกช่างเผือกดู่มนปาแห่งความสงบถึงจะมีปัญญาคนที่อยู่ที่วุ่นวายจุ้งชัามันจะไม่เป็นช้างเผือกมันจะเป็นช่างดำช่างแดงช่างเขียว เดียวรถโคดเชี่ยวแต่ประการใดมันจะไม่เกิดประโยชน์พลที่ผลแต่ประการได้ช้างเผือกก็อยู่ในป่าป่าตัวนี้แปลว่าป่าแห่งความสงบถึงจะเป็นช้างเผือกช้างเผือกตัวนี้แปลว่าผู้เลืองปัญญาเลี้ยงปัญญาแล้วคนที่เลี้ยงปัญญาแท้จริงหานะหายากมากโยมกลับไปแล้วก็ใช้ตาเลยนะ ตาดูหูฟังปากนิ่งตีเนียบวว่งมือทำแต่ความดีหนีความทั่วสร้างตัวให้มันดีสร้างตัวให้ดีถึงลูกถึงหลานให้ขยันมันเพีย้ยนคนที่เกียดเนี่ยไม่ใช่คนมีธรรมะเป็นคนโมหะจริตอยู่ในตนบุคลคลใดจะเกียดตลอด้าหลังยาตลอดการนอนไลยพระ งานการไม่เอาไม่รับผิดชอบด้วยประการทั้งฟ่วงใครมาข้าก็ไม่รับรู้ข้าคู่อยู่ในที่นอนตลอดรายการไหนเลยจะท่านจะเลี้ยงปัญญาเหมือนข่างเผือกอยู่ในกลางป่านความสงบนับถือสันถือพลังถืกขังฉกอะไรยิ่งกับความสงบไม่มีแน่แต่ยังวุ่นวายยังมิีคาตาเลมเถินนะ้มันมีแต่ความยุ่งใจตลอดอกาศ หาความุกสนุกในครอบครัวไม่ได้เลยมีแต่ความหาญนะมีแต่อายมุขหาความสนุกในสังคมชอบปิ๊งสีนวลชอบปิ๊งสีนึ่แล้วไหนเลยล่ะตัวเองเนี่ยจะมีปัญญาที่จะแก้ปัญหาในครอบครัวไม่สบายใจก็ไปจินงเหล้าไม่สบายใจก็แต่งตัวไปเที่ยวเที่ยวให้มันสบายใจ น, นั่นแหละทุกนกะทุกล้อ น, นอนทุก หาความสุขไม่ได้ยิ่งเที่ยวมากก็มีทุกข์มากเสียงเงินเืียคองไปใช้เหตุแต่ไขปัญหาไม่ได้ก็ออกนอกบ้านมาอยู่ในบ้านแต่ประการใดมี่คนไล่ทำมะไล่เหตุผลเป็นคนหมดค่าราคาคนเป็นคนที่ไรปัญญาไม่มีปัญญาที่จะคิดไม่มีสติที่จะทํางานไม่มีผลงานคุ้มคุริแต่ประการใด ออกมาอย่างนี้ชัดเจนชัดแจ้งคนที่ดีมีปัญญาเนาี่ยเขาเห็นอะไรเจ็ขาเขาเจ็บอยู่ที่บ้านมีหนุ่มสองคนเดินเข้ามาในหมู่บ้านธรรมานั่งอยู่หน้าเตีวลาที่8ปดที่เก้าปีจำได้เขาว่ามาชอบผูกสาวบ้านนี้เดีกวก็นั่งมองถามว่าใครอ่ะเปิดประตูให้ใครเข้าบ้านเขาบอกว่าเขย อ, อนาคต ขามามีไม้ขวางทางอของอันมันเหยียบไม้ข้ามมาเลยนี่อย่างนี้ใจคนไม่เกิเขยมันมาด้วยมันอยู่หลังมันเก็บเรียบร้อยเออน่าจะไอ้คนหลังนี่เป็นเขยตามีแววตามีปัญญาหูก็มีปัญญาทำอะไรก็รู้หมดแล้วการทำอย่างกันต้นเขาในหลักโบราณที่พูดกันมากพูดคัดเกนนะ ร้อยรู้ไม่สู้การทำไม่ได้้อยความรู้ยังสู้การทำไม่ได้การทำดีกับลอยรู้้อยรู้ ย, ยังสู้การทำไม่ได้มีความหมายเยอะบางคนไม่ทำรู้กับเพื่ร้อยต้องรู้ทั้งลอยอย่างแต่ไม่เคยทำเลยมันจะสมเด็ัไหมนี่แหละพระเจ้าสอนชัดเจนมาก ร้อยรู้ก็ยังสู้การทําไม่ได้ในการปฏิบัติทำเนี่ยจะมีรู้ธรรมะแค่ไหนตี่เลี่ยมสมุดก็สู้ปฏิบัติไม่ได้สู้การทําให้มีธรรมะทําให้จิตใจมีปัญญาจะได้แก้ไขปัญหาชีวิตคนราวจึงรวยไม่เท่ากันไม่ทุนมาเท่ากันที่พูดกันก่อนแล้วใช้ทุนไม่แพนใช้ทุนไม่แพนมันจึงขาดทุน สังขารร่างกายก็ใช้ไม่เป็นควรจะใช้มาทํางานสูกต้นหนากรากไม้การเอาสังขารไปเที่ยวสังขารไปโตะลุงสังขารไปดูคอนเสิร์ตมันจะประเสริฐที่ไหนเล่าอีกคนหนึ่งเขาทําประพติเขาไม่ร้อยรู้อย่างไอ้คนเที่ยวแต่เขาทําทําอะไรในวันนี้จดไว้ปลูกมะม่วงไปลูกธุเรียนไปต้งหลายจุดต้น นี่แต่ะการทำก็ได้ผู้เรียนได้มามวงแต่ถ้าไอ้ร้อยรู้เอาหูไปแครไปแครแหมนอกบ้านนอกเมืองไม่ละคายเครื่องแค่์เดีจะวิึกมานสามาจะแผลงลิกายเพศเป็นเศษสินได้ถ้ากลายเป็นร้อยรู้แต่สู้การทำไม่ได้ขอฝ่าผู้ปฏิบัติไปด้วยไม่ใช่มากินกินจามจแล้วก็ได้ธรรมะไปสวรร น, นิพพานเนี้ย แค่สมบัติมนุษย์เราก็อย่ารสาทรัพ์ไม่ได้ไหนเราจะมีชื่อเสียงในสังคมมาเขาบ้างก็ไม่ได้คนไม่ไวจ่ายนี่นะการกล่าววาจาสัจจังเวียมะตาวาจาสาคัญมากถ้าไม่มีชื่อเสียงคนไม่ไวจใจยไม่มีทรัพย์มันไม่สะดวกสบายไม่มีความรักไปไหนไม่มีคนต้อนรับไม่เคยไปลาภใครไม่เคยเมตตากับใครไม่เคยช่วยใครเลย ไปไหนใครก็จะรักใครก็จะเมตตากับเราเพราะเราขาดเมตตานั่นเองเราไม่เคยแผ่เมตตาไม่ใช่วาซารเพศตาย่างนี้นะอย่างนี้มันวิชากา ร, ต, รต้องใช้จิตทั้งตัวเองเป็นเมตตาต่อกันสารจำพันธ์คือมนุษย์อย่าสัมพันธ์มีเมตตาต่อกันอย่างนี้มีอะไรถูกลี่ยกันถึงจะเรียกว่าการให้ทานการให้ทานการกุศล ไม่หวงกันชิงหวงกันใช้มีอะไรก็แบ่งกันชิงแบ่งกันใช้อยากทานอะไรบอกเดี๋ยวหาเลี้ยงอย่างนี้สันต์คนเราใจแค่ใจแคบใจคับใจคับออกตุดติดคับใจมีแต่ความหายนะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความร้อนบร้อนใจใบบางกระขาโบราณทำหว่ารแบบ้อนแดดร้อนแดดที่แผดที่เผา ยังต้องหลบเท้าตอนต้นต้น ต, ต้นปึกษาหาครูบาอาจารย์ปึกษาหรือร้อนรักหนักกุรามันจะเท่าอะไรหรือร้อนอกหนกออกกุจายมันจะใชยได้ประการใดหรือร้อนรักรักอยางไงรักมากมันก็ร้อนมากมันก็ทุกมากถ้าเราลักกระดุ้นเมตตาไม่แต่ความเย็นใจไปไหนมีคนต้อนรับมีคนโโอาปาใ อุจาเพราะพลิ้งโอบอ้ อ, อ, อมอารีวาจีก็เพล้อสงเคราะห์ทุกคนวางตนให้เป็นกลางไปไหนก็มีคนแต่เมตตาต้อนรับถับสู้ดูพอ ง, งามจิตใจก็ไม่ซามสว่าดก็ไม่ขาดทุจใจออกมาประเภทนี้ดูได้แล้วผู้ปฏิบททัติธรรมจะเดินก็รู้แลลวไม่สำมรวมเลยไม่จะมีสติสตังกระเขาไม่จะก้าวไปนึจะข้ามก็ข้ามไปคนที่มีสัรวมนั้น เขาจะเดินเรียบร้อยศรีลาจจรวัตรก็เรียบร้อยมายายกงงามจะพูดจาก็มีเหตุมีผนพูดแต่สิ่งที่ความจริงแล้วเป็นคุณรประโยชน์ต่อกันพูดก็เพราะไม่อยากคลายจับประการใดพูดในสิ่งที่เอื้ออารีต่อกันมีน้ำใจเมตตาปรารถนาดีในการพูดของเขา นี่เนี่ถึงจะเป็นมนุษย์สัมพันธ์คิดเขานี่สาหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะดูได้ตรงนั้นแต่คนว่าปฏิบัติธรรมได้อาตมาไม่เชื่อถ้าทำได้ต้องได้ล็อกนี้ต้องได้ออกมาอย่างนี้สวยน่ารักสวยหน้านมุทนางามหน้างามเมตต์งามจิต ง, งามใจ ง, งามทั้งจึกงามทั้งใจไวฉลาดสามารถที่จะทางานให้สำเร็จ ตามสูตรมุ่งหมายและวัตถุประงสงค์ขั่อนจึงเรียกว่าร้อยรู้สู้ทู้ทไม่ได้แต่ร้อยรู้รู้ก็าตามเถอะแต่ไม่ทามันจะระยำอับ ป, ปรี่มันจะสร้างความเดียเขาไม่ได้มันจะไม่ได้อะไรสืบต่อไปเลยขอฝากนักปฏิบัติไปมีตาก็กำหนดหูก็ฟังให้เกิดปัญญาตั้งสติไว้เสียงหนอมีมั้ย บอกคนบางคนบอกหลวงพอ่อกลับไปบ้านไม่ว่างไม่ว่างคือทําอะไรก็ทาํางานนั่นน่งานนั่นเนี่ยกาหนดติดโดยมีสติในการทํางานจะหยิบอะไรก็หยิบหนออยากหยิบหนอหยิบมาทําไมหยิบมาใช้เป็นประโยชน์หยิบมาทิ้งของนี้มันเสียของนี้มันเหม็นก็หยิบกราบให้มันสะอาดไม่โคลก็ปลอกทําอาหารในเลือนครัว สร้างตัวให้ดีเรือนสามน้ำสี่ซ่านพอดีในแม่แมบ้านการเรือนเชี่หกาตรมันจะประกาศตนไปในตัวของมันเองไฟมันก็ร้อนในตัวน้ำมันก็เย็นใ น, ในเนื้อของมันธรรมะนี่มันก็เย็นนอกเย็นนยเย็นเหนือเย็นใต้ซาบซาบดโดยวิจารเหมือนน้ำค้างหลังล่าจากนพพาลายัยยังไม่เท่าเย็นลําเขาน้ําประคุณ ผลหลังมาจากนุภาตายก็ยังไม่เย็นล้าเท่าน้ําประคุณอีกสช่นเดีกันคุณที่มีประโยชน์ต่อกันนะเป็นขาสั้นั่านคุงชีวิตทําให้คนติดต่อกันได้ทําให้คนเมตตาตามดูการให้แต่เราให้เขาเขาต้องให้เราแต่เราไม่ให้ใครเลยไม่ช่วยใครเลยใครก็จะช่วยเราใครจะให้เราก็คงไม่มีนะก็คงไม่ได้อีกแล้ว การสาธิชนอุบาโกบดิกาทั้งหลายโจรเอาไปปฏิบัติโดยต่อเนื่องกลับไปบ้านแล้วก็เดินจงกรมนั่งอย่าไปตีเกียรตกลับไปแล้วก็โอ้ยเราได้แล้วธรรมะธรรมโมไม่ได้อะลู้ร้อยรู้เลยเราไม่สู้สามทามันร้อยรู้ร้อยเรื่องเปลี่ยมเวลาไม่เกิดประโยชน์ผลที่ผลกับประการใดคนรู้มากมันไม่มีความจริงชุดเลยมันลู่มากหครหายะห่าง่าหรือหายะ รู้จึงจึงหายากไอรูมาขังหน้าออกมาอย่างมีชัดเจนมากขอฝากท่านทั้งหลายไว้ในวันนี้โยทุนาการไปปฏิบัติดีสอนเนื่องยืนน้อให้มันได้หน่อยเถอะลบไปบ้านทิ้งเลยเสียดายสั้งขาล่างกายเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายใช้ประโยชน์ต่อชีวิตหน่อยได้ไหมลาเรี่ยงัวควายเลี้ยงช้างไว้ใช้างานเลี้ยงสั้งขาไว้ไม่เด็กใช้อะไรเลยเอาสังขาพอไปเขี้ยวโน่นไปเขี่ยวนี่ เวลาปลุมใจก็ออกไปกินผูละกินเบียเวลาไม่สบายใจก็ออกไปช็อปปิ้งเสียเงินเสียทอ ง, แ ล, ง แ, แล้วทันจะแก้ได้เลยดื่มเหล้าเมาหนักเข้าก็สนุกสนานใจกัไม่พักเลี้ยงเพื่อนในพักพอกลางเมาถึงจะคิดถึงตัวนะว่าเสียเวลาไปเที่ยวเสียเวลาในการทำงาน แถมโครคภัยคก็เบพกบเลียนเคราะดื่มสุรายาเมาเรื่องการทำงานเป็นต้นธรรมะจะบอกไว้ในจิตใจถ้าคนไหนปฏิบัติได้ลึกซึ้งแล้วจะไม่เล่นการพ น, นันจะไม่มีใบยมุกจะไม่หาความสนุกที่เลวร้ยายในต้องคมต่อไปจะไม่เล่นอบายมุกจะมีแต่ความสุขสนุกตลอดรายการคนทีมีธรรมะเขาจะรู้ว่าอบายยมุกแปลว่าอบายแห่งความผาิดผ a l i อาบายปแป้ว่าทางความเสื่อมโกมมันไม่มีความเจริญประการใดท่านจะรู้ตัวของท่านเองอลองไปเล่นการพนานดูนะเรนหมดเนื้อประดาตัวเลนไปไฟไหม้บ้านเนี่ยมันที่มันยังอยู่ยังปลูกบ้านได้ไอเรนการพนานเนี่ ย, ย, ย, ย, นนนยที่มันก็หมดบ้านก็หมดที่ก็หมดด้วยยึงห น, นกักกว่อไฟไม่บ้าน จะออกมาอย่างมี้ชัดเจนนะมันหมดเนื้อประดาตัวหมดทั้งสิ่งเคยปรารถนามันก็ไม่เกิดประโยชน์ผลทีผลแต่ประการได้ออกมาอย่างมี้ชัดเจนก็ขอมิตรบาปเทียปฏิบัติธรรมท่านจะอัตโนมัติเองมันจะรู้ว่าปัญญาของท่านมีจริงหรือไม่ข็ลองทดสอบดูเอาเองม้างถ้าปัญญามีจริงแล้วถ้ามีสติท่านจะไม่เล่นการทำ น, นันซึ่งนจะไม่มีอบายมุกมันจะไม่หาความสนุกในสังคมอีกต่อไป จะรักลูกรักครอบครัวรักผัวรักเมียรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องนี่ถึงจะเป็นคนมีธรรมะแต่คนไร้ธรรมะมันจะไม่รักผัวรักเมียก็ไม่รักลูกจะไม่ผูกพันมันจะเสียพี่เสียน้องอย่างทุบัตทพระประธานกันมันจะเกิดขึ้นโดยหายณะเรียกว่าอาบายมุกปากทางให้ความเสื่อมทรมปาทานแห่งความผิดหายเอาดีไม่ได้ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายโดยทุกหน้าทั้งอุชาไปปฏิบัติตามอย่าเลืมเลี้ยงสังขารเอาไว้ทำอะไรช่องว่าเลี้ยงไว้เที่ยวเลี้ยงไว้ใช้เงินไม่เดียเลี้ยงไว้หาเงินเลยไม่เดีสร้างประโยชน์ให้แก่นตนและครอบครัวไม่สร้างต่อความส่วนรวมในสังคมตลอดเลยการไหนเลยท่านจะได้อาลัยอ๋อฝากท่านไปเคสตีความหมายสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมะ ลอยรู้ระวังนะรู้หนอนลู้นี่ไอ้ลอยรู้สู้การทําไม่ได้อะไรเราจะสู้การทำการปฏิบัติงานทํางานให้มาที่สุดและได้ดีที่โดุดงานยิ่งมากขึ้นกรรมาฐานมากขึ้นงานก็มากขึ้นทํางานไม่รูจักเหนื่อยายากไม่รี้จักลาบากแตประการใดไม่รู้จักความสุขสนุกเลยดุจละลา ป, ปัจฉวะไปลดลมากจัด แต่เมืองไทยคําว่าขี้เกียจนั้นมันกิโลเท่าไร่ซื้อเอาไปทําอะไรได้บ้างจะทําอะไรไม่ได้เลยทั้งหมดมันี้ใครอยากได้ตัวขี้เกียจนี้ขอฝ่าผู้ปฏิบัติธรร ม, มะมีแต่ความขยันตลอดรายการจะไม่มีอยู่ภากงานจัะการได้ถ้าเป็นพระภิกษุก็ไม่คาจุกจ้วดทําจุกจัดขยันให้มากขึ้นงานมากขึ้นงานเหลือมือก็ต้องทําเสร็จ ไม่มีมกงานไม่มีการที่อยากแก้ปัญหาแก้ตัวเองได้ต่อไปเราพิจารณาพระองค์เดียวทํางานทั้งโลกทำงานทั้งโลกช่วยเหลือคนทั้งโลกเลยไม่ใช่ประเทศเดียวแต่มหาพระบรมอภิสตลาดสมภารเจ้าพระจะอยู่หัวคือมีพลมหลาราชษณ์รองทรงเหลือย่าพระวรกายมากกว่าเรามากถึง50ปัญหาเลยทําไมเราจะสร้างความดีถาวายท่านนางไม่ได้เลย กระทั่งทรงประทวนโลกอาทยท่านยังไปดูประชาชนน้าท่วมตรงนอนน้ําท่วมตรงนี้เอาของไปแจกตรงนั้นเอาของไปแจกตรง น, นี้คือพระเจ้าอยู่หัวมีหลวัดเราจึงไม่สวดทำมาจากถวายทุกวันที่เล้าเราจะไม่รับมีมนเลยสวดมาทุกเกา้าไม่เคยขาดให้โบสนะเนี่ยธรรมชานแล้วก็เราพยายามก็ไม่ขาดโบสถวายเป็นลาดเจชากรุณ์ถวายเจะพรชัยมงคล เดี๋ยววันที่ยูพรเจดจะถวายงวแพระเจ้าอยู่หัวร้อยกว่าตัวรัฐ ม, มนตรีช่วยว่าการก็จะมารับทางอธิบดีผู้รือการจังหวัดทางอธิบดีกรมปฏุสัตว์มาพร้อมกันที่หน้าวัดหน้าโรงเรียนวัดอําพวันจะได้ปล่อยโคถึกมาลึกขาวถวายเป็นแทรกุศลห้าถิตปพันชาพระองค์ท่านร้อยกับตัว อาจาทั้งหลายว่าก็ามานุโมทนาการปล่อยงูให้ถวายในหลวงสอการให้พระองค์ท่านมือสะเทนินภาษามากร้อยมากไม่น้อยลอยพรรษาเพื่อเป็นมือขวัญของชาวไทยเกลบปากรักษาผู้นองชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขตลอดการตวาสารถึงลูกหลานต่อไปเชิญขอถวายพระคร อ, อย่างนั้นอาจาทั้งหลายเอ๋ยเรายิ่งทําก็ยิ่งได้ เราทําเราก็ได้ของเราเราไม่ทํำเราก็ไม่ได้อะไรท่านไปข้องไว้ดูบ้างท่านจะคิดนะเราเป็นมนุษย์ติดกันมีความคิดสูงด้วยกันทย่างนั้นแต่ใครจะคิดแบบไหนก็ไม่ว่ากันขออนมโมทนาสาธุ ก, การแต่ท่านทั้งหลายเราดูใจแลอะเกินถึงจะถวายทุนใครพัฒนาไปจะอยู่หัวหรือก้าเดียววันทุก้าวมิทุนนาจะเลี้ยงพระเลี้ยงเพลินเลี้ยงขอกเลี้ยงถวายใจจุวรหมดเลี้ยงคนในยันจําทั้งหมด แนี่ยก็ถาวายเป็นชายกุศลวาลาสุดท้าของปรีเสดส่วนถวายพระพรสวดธรรมาจักถาวายพระองค์มาเพื่อทํากันนั่งหรือเปล่าเราไม่ทราบเราเอาตะวัดเราก็พอแล้วขอประกาศอนุโมทนาให้ทราบเลยที่นันการเวลาจเชาทุนรวมเงื่อไปถาไวายทุนชายพัฒนาของพระองค์ท่านโดยจะไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปต้นม่สูนเงื่อ น, น, น, นได้กาไรออกมาก็ได้ช่วยเหลือประชาชนเยือน ช่วยเหลือประสบมีกรณ์ยากไรผู้อาจารศึกษากุระบุตรธิดาให้มือการศึกษาดีขึ้นผวยกุยระบุตรธิดาเด็กชายเดนินไม่ได้การศึกษาข้งางลักชนาจัรไทยขยามรักประสีมาโลงได้กระทำมาด้วยความเหนื่อยยากเรายังทําไม่เท่าขั้นเลยอก็ช่วยการปฏิบัติ ท, ทําให้มาสุดสุดสวายเป็นปราชบุตรศรโปร่งมีประชชนมาสาไม่น้อยร้อยพันษาต่อไป ในหกสิบแปดท่านศาเล่ก็ขอให้เราช่วยการทุกข์ท่านทุกโลกทุกนามโดยทุกน า, า ก, การเพื่อเป็นพระมหาหมดต์เนชีวิตถวาไว้อุทกไปนะพระองค์ท่านตลอดกระทั่งดวงพระวิญญาณทุงหมดยากโดยเฉพาะเราชาวไทยไปแล้วแม่ฟ้าหลวงของเราท่านทั้งหลายเราขอ น, นมูธนาสาธุ ก, การในส่วนนี้โดยทุกน า, า ก, การข อ, ขอความสุขสวัสดูีจงมีกับ ท, ท, ท่านทั้งหลาย ท, างงาทั้งสวงองค์เจ้าเทวีละ รอกระทั่งอุบาสิกาและก็ผู้ปฏิบัติธรรมจำเจเรนลุ่มเรียนวัฒนาสถาพ อ, องอกน้ำไผบูรแม่พระพุทธศาสนาพระองค์สมเดือประจัมมาทิฏฐเจ้าและจนเจเรนไปด้วยอายุวันนาสุขาพลาปัิานทาาธนาศารสมบัติเม่ซึ่งเงินประการได้สมความมุ่งมาปิศนาด้วยการทะลทุกนามณโอกาตรบมืเทอญ น, นองพุทธบริสัท ทั้งฝ่ายบรรพชุตและเพลหาทุกท่านในวันนี้เป็นวันธรรมสุวรณวันพระอุโบสถเป็นวันที่เรากำหนดองค์การอุโบสถกำหนดองแปดราการแล้วก็ปฏิบัติกรรมบทติสุดเดกายกรรม3ามวิชูกรรมส่มโนกรรมสามครบ กำหนดสมาทานเป็นยอดสูงสุดในบวรกุทตศาศเป็นหนาแน่นข้ามวันธรรมสมณรมิฬเนี่ยนะเป็นวันที่รวมกันเพื่อแสวงหาพระให้พบพระทางจิตใจทั้งท่านใจท่านจะประเสริฐใจท่านจะงามใจท่านจะดี ใจท่านจะได้มีปัญญาขั้นจะรอบรู้กองการทั้งขานขั้นจะได้อ่านตัวออกจะได้บอตัวได้จะได้ใช้ตัวเต้นเราจะได้เห็นตัวตายเราจะได้คลายทิฐิเราจะได้ดำเนิข้อเราจะได้ประกอบปูโฉนได้ผลอานันต์เป็นหลักฐานสาคัญในวันธรรมมาตุนาณิขึ้นแปดข้ามยันหก จะลบอีกหนึ่งสัปดาห์ก็จะถึงวันวิสาขบูค า, า, าแล้วท่านขาที่เทมทั้งหลังที่ท่านครท่ทำสัมมาปฏิบัติสวางหาพระอย่างพระภิกษุธรรมนเนนท่านบ ว, วดมานานก็ถิ่นแต่ก็ไม่ทราบว่าพระองค์พระคุณเจ้าองค์ใดพบพระหรืออย่างละอันนี้ม่ใช่ย้าเหลืองนุ่งเหลืองห่มเหลืองหมายทิ้งว่าจิตใจประเสริฐและรูอ้ยอย่าง ถ้าภพพระมาดใช้ใจกระเสิดเมื่อนั้นจิตใจก็ล้ำเลิกกระเสิดผุกประการจิตใจก็เย็นเยือกแรงวาสุทสมาธิปัญญาเป็นพระใจก็ลดละเลิกหลุดมิมุดได้ถึงจะพบพระเรามาร่วมกันสลาสุธรรมภาวนาในวันนี้ไง วันพระจุดมุ่งหมายของเรามาจแหวงหาพระประจํากายประ จ, จํามใจแหวงหาพระให้จิตใจเราประเสริฐมีพระอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในจิตใ จ, ท, ท, จทั้งผ่นผ่านจับแล้วเกิดที่จุดตัวท่านก็จะล้าเลิศทําอะไรก็แสดงออกขึ้นปัญญาท่านจะรอบรู้เหตุผลที่ดีงามของท่าน มาใส่ตอนสิลปะถ้าผู้ใด ย, ยังแสวงหาพระไม่พบจะพบแต่ความเลอะละสกปลดและใจก็เศรหมองตลอดไนไม่มีพระประจาสุตประจาใจการเจริญเพื่อกรรมฐ า, านต้องการพบพระต้องการเอาพระมาจาประจากายประจาจุตประจำใจต้องการให้มีความปลุก เร่นล่เรี้ย ง, ง, งในชีวิตผู้ทพระนี่แปลว่าใจปะเสริฐพระแปลว่าใจยึดเด่นพระแปลว่าไม่บาปมือแต่บุญมือแต่คุณรประโยชน์ไม่มีโทษต่อไปถึงจะเรียกว่าพระแต่เราเข้าใจผิดคิดว่าคือพระในวัดอัมพวันมาหาพระวัดอัมพวันข้าหน่อยแล้วท่ า, จานจะได้อะไรจากพระวัดอัมพวันมาก ถ้ากท่านไม่ปฏิบัติธรรมท่านจะไม่พบพระท่านแท้จริงจะพบพระปลอมเน่งเหลืองหม่มเหลืองโกนหนวดตัดเล็บเท่านั้นลิ็หามิใช่เป็นพระของเราพระของเราต้องอยู่กับรา้าติดตัวไปติดตัวมาท่านนั่นแหละท่าน น, นางกรรมฐานจเจริญกุศลภาวนาท่านจะพบพระอยู่ในตัวท่านถึงจะถูกต่อ ไม่จำาต้องกล่าวไปหาพระในถ้ำในเหวไปหาพระสือนเสียงดงดังแต่พระประจำบ้านไม่มีเลยพระประจำใจก็หมดไปพ่อพร ะ, พระแม่พระอยู่ในบ้านก็ไม่เอาใจใจครคือพ่อพระแม่พระคือพ่อพแม่ของเราลืมต้นสนสนปลายลืมทั้งติดลืมทั้งใจ ลื่ข้างขาดกติขาดปัญญาท่านจะไปพบพระวัดไหนดีขั้งต้งหลายเอ๋ยเอาพระวัดไหนถึงจะดีละาตามมาขอตีความหมายในนัง่งกรรมฐานในวันนี้พระคงหลับอยู่ที่จิต ป, ประจําใจประจําเหตุประจําผลประจําให้เรามีปัญญา ทำอะไรก็เยือดเย็นทำอะไรก็เห็นตัวปลาน้ําใสดูเมตตาไหลไมฆขาดสายขวานขาดก็ยังลายคือเมตาตาจะมีแต่เมตตามีพระประ จ, จํามใจมีแต่เมตตาปราหนึ่ซึ่งกันลกันมีแต่ความปลาธนาดูมีแต่ความสงสารซึ่งกันลกัน มีแต่แสดงความยืนดีตอบแทนผู้สร้างความดีนั้นมีแต่ความหวางเถืยในเรื่องกิเลสในอประตามอย่าไปเอากิเลสมาใส่ใจอุเบกขาภาวนาถึงจะถูกต้องไม่ใช่ใครทําดีําชั่วก็เฉยไม่ใ่าอุเบกขาอย่างนั้นไม่ถูกต้องอุเบกขาคือหมายความว่าเฉยไม่ลบกระ่าสุขกร่าะสุขคือกิเลส เราไม่ไปลบลาถ้าฟันจะคายแล้วเราไม่ต้องการจะหาเรื่องมันจะเปลี่ยมเวลาอีกต่อไปวันนี้จะชี้แจงให้ท่านเข้าใจเด่นชัดในเรื่องเจริญกรรมาฐานได้อะไรเจริญกรรมาฐานจะพบพระจึงไหนและกรรมาฐานนี่จะแท้กรรมได้ไหมกรรมาฐานนี่จะไปถาเวรหากรรมอีกต่อั้น หมดเว้นหมดจำรรแน่ถ้าจเจริญกรรมฐานด้วยสิ่งอาจจะหมดเว้นหมดจำที่ทําไว้กุชลาธรรมะอกุชลาธรรมะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําดีเป็นกุศลทำไม่ดีเป็นอกุศลลรรมเราก็ไม่ต่อเว้นต่อกัมอิจต่อไปแล้วเราพบพระแพ่แล้วพระแพ้พระชึงทุกข์ขึงอยู่ในใจาอาไม่มีอยู่ทุกข์ขึงอยู่ในใจท่านจะไปพดภาพลอม ไปเจอแพมากมายนาทุได้พระแพพระจึงทุกข์จึงอยู่ในใจถึงจะถูกต้องไม่ใช่ไปวัดไปบวชชีพรามพระเพื่อจะหลายองค์แล้วชอบพูดกันอยู่นั่นไม่ชอบทมคนชอบพูดมันก็ชอบฟังมันไม่ชอบรทำกิจกรรมก็ไม่ดีจะสร้างความดีตรงไหนแล้วเรามาคุยกันมาสัมมนาอย่างนั้นหรื กาจะผลผิดพลาดไปท่านจะไม่พบของจริง่ารจะพบของปลอมยอมใจกลับไปท่านจะมีแต่เสน่ห์จังไรอูกต่อไปใสขอท่านจะเศ้าหมองไม่ผองใส ถ, ถ้ามือพระประจําใจประจําครอบครัวทั้งพระหัวพระเมียแล้วบ้านนั้นบ้านแสนสก บ้างสนุกให้กับลกูกเรียนหนังสือมีวิชาอย่างนั้นถึงจะมีพระประจําถิ่นประจําฐานประจําบ้านประจําครอบครัวประจําตัวของเราจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่น้อยท่านจะไปแวงหาพระอันใดขอติดตามฟังเึกไสณับนี้ขอจเอจริญพรเจริญศกโดยทั่วนาคันณะบัดี้ <c oughs> ท่านสาธิชนที่รักสางหลายที่ท่านขวนขวายมาที่วัดนี้เรียนถามว่าต้องการอะไรบ้างว่าถูกประสงค์ว่าท่านมีอะไรแต่มาถามหลายคนแล้วตอบไม่ถูกเลยต้องการมาไปสวรรค์ต้องการจะนั่งกรรมฐ า, านให้ไปนิพพานมันจะเอื้อมันจะเอื่อมสูงไป แต่ชีวิตของเราเนี่ยก็กลับกลายไปว่าไปบวชชีพราหมณ์แล้วก็มาอบรมการวิทยากรเยอะหมดบรรยายกันเป็นวันเลยนั่งฟังจนตาปรือพอฟังแล้ววิทยากรก็ไปนั่งหลับที่บนกั้วีอึแล้วก็นั่งฟังงั้นจะนจนหลับจนอ่อนอกอ่อนใจท่านจะได้อะไรไหมไดม้แล้วไหมเลยก็กลายเป็นคนรู้มาก คนรู้มากโดยนี่มีเยอะมาที่วัดมีเยะอะนักเตลก็มากรู้มากแต่เสียดายเสียใจยไม่รู้จริงรู้ไม่ จ, จริงขอเจริญพรท่านทั้งหลายท่านหญิงท่านชายทั้งหลายคนรู้จริงคือคนอย่างไรปฐมมาพูดมานานแล้วนี่คนใหม่มาเยอะก็ต้องพูดซ้ำสามชั้นไปก่อนเลื่อนไปถึงมัธยมคงไม่ได้ คนรู้มากมีเยอะพูดตรงไหนรู้หมดยานน้องยานนี้รู้หมดแต่ตัวเองไม่มีแม้แต่ยานเดียวเรียกว่าอะไรเรียกว่ารู้มากไม่ใช่รู้จึงรู้จึงคืออย่างไรตอบให้ที่น้องฟังรู้จึงต้องทำรู้จาต้องท่องรู้แจนถงถึถงเึิดเห็นคิดเป็นพระ ถึงจะรู้แจ้งรู้ถึงเห็นจึงเป็นธรรมะมืสติสัมปชาัญญะควบคุมจิตอยู่ตลอดเวลาถึงจะรู้จุ้เดียวนี้ชอบจุชอบปัญญายกันและก็ชอบฟังตาเปืเนี่ยกูจะอยากรู้ไอ้นั่นกูก็อยากจะรู้ไอ้นี่มันรู้มากแต่เสียใจยเหลือเกินรู้ไม่จึงทุกสิ่ึงแก้ไขตัวเองไม่ได้ ปลับปรุงตัวเองไม่ได้แล้วท่านจะไปรู้อันใดเป็นสิ่งที่เป็นของจุ้งขอจเจริญพรญาติพี่น้องกรรมาฐานมาจุ่มจื่นจามจ า, มจามสองวานกลับโยมรู้ไม่จริงแค่ละครออกแพกยังไม่ทันเล่นก็กลับบ้านแล้วเหลียก็ยังไม่รู้ว่าละครมาเล่นเรื่องอะไรไปตัวไหนใช่เอ๋ไปเจอเจอพระนางเอง๋กไหมลบลาข้าฟังกระตุงไหนจะลาลงมาอะไรก็ยังไม่ทราบ เลียงแต่มารู้ว่าออกแผกว่าเล่นเลี่ยงสังทองแล้วก็กลับบ้านยอมจะได้อะไรว่ามาเล่นไปถึงตอนไหนชีวึกคือละครละครคือชีวิตท่านอย่ยามากเกินไปว่าความรู้มากรู้ไม่ถึงหรอกคนเราก็เป็นอย่างนี้อย่างหนอนอยากจะรู้ไอ้นามอยากจะรู้ไอ้นื่รู้แล้วก็ไม่ทำเป็นกิจกรรมที่ไม่ถูกก็ รู้แล้วไม่ทำรู้ต้องทำทำถึงจะเห็นจริงมาเจริญกรรมาฐานต้องการความจริงใจงต้องการจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนจริงไหมเป็นชายจริงไหมเป็นหญิงแท้ไหมคะก็ยังไม่คช่เราพูดทีอไหลเข้าข้างตัวเราเองพอฉันเป็นหญิงเป็นคนดูเป็นคนสวยเป็นคนรวย พอปาป่ายท่านชายเราไปคิดคายคิดดีนะมือพูดอย่างนี้มือใครมั่งไหมที่พูดว่าเราเป็นคนชั่วไม่มือเลยมาที่วัดนี่มากมายก่กองเป็นคนดีหมดเหมือนละครชีวิตเล่นละคร อ, ออกมานั่งหน้าผ้าสมุตินามแทนชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นคนดีอย่าประกอบปชะชิดการงานอยู่ใ น, นอรัญญาลาวป่า ข้าพเจ้าสมุดนามแทนชื่อสมหะกกายครอครองราชสมบัติมานานนัหนาแล้ว น, นี่ละครไม่มีตัวไหนเลยที่ออกมาสมุดนามแทนชื่อว่าคาเป็นคนทั่วแตมาพูดมานานแล้วดูตอนเล่นเล่นไปเล่นมาใครจะชั่วมันก็โผล่ออกมาใครจะนีมันก็โผล่ออกมานี่ตรงนี้น่ะท่านมาเล่นละครการเชื่อจีวร ถ้วความไปลึกหนาบางเนี่ยเป็นกฎแห่งกรรมอยู่ในตัวท่านมากครั้งอดีตชาติมาท่านสร้างเวรกรรมตามสนองท่านมามีอะไรบ้างท่านจะไม่ทราบเลยมาแต่ฟังไอ้วัดดีไปดีไม่มีใครมาพูดแต่วัดโนนดีมากเขาพูดยานอธิบายยานกันแม้เราไปดูยานที่ผกมาเดินจงกรมถึงขั้นที่ผกอย่างนี้ดีมาก แต่มันก็รู้มากไปอย่างนั้นแต่ขารู้จริงที่จะแก้ไขกรรมว่าฌานจเจริญพระกรรมาฐานจเจริญสติปัฏฐานสีของพระพุทธเจ้าทางสายเอษานี้ไม่มีใครสอนแต่เพียงแต่รู้ว่าลูกเก้เจอบอกเรื่องอะไรเท่านั้นหรือดูเขาเล่นบางทนแต่คนอื่นเล่นยังไงเราก็ดูรู้ว่าดีหรือแั่วแต่ตัวเองก็ไม่รู้เลยว่าเราเล่นละครชีวิตดีหรือแั่ว เราก็ไม่รู้ตัวเลยนะเราจะพูดเข้าข้างตัวเองเสมอลูกเราไปตีว่าเขาเราก็ต้องเข้าข้างลูกเราเป็นเรื่องธรรมชาติตรวธรรมดาลูกเราไปเสียหายก็ยังเข้าข้างลูกเราว่าเป็นคุกคเป็นคนดีนี่แหละมันรู้ไม่จริงอย่างนี้เข้าข้างตัวเองก็ปลายเป็นอะไรคะปลายเป็นมักง่ายมากักดะ มรรคปาฏหายไปการเจริญสกรรมฐานต้องการเจริญมรรคปาจะย่อใยความให้ฟังก็จะเข้าใจมรรคปาฏได้แก่สินสมาธิปัญญาที่เรานั่งเจริญภาวนาและปหาเหตุที่มาของกรรคุกทุกเราจะพบอนิจจทุกขังอนัตตาก็ผ่านอริยสัจสูุรคุกเกิดแล้ว แล้วก็หาเหงื่อกองทุกได้แล้วเราจะแก้ไขทุกโดยจุดอันนั้นฟองแก้ให้มันถูกจุดจินยมุตจะได้ไม่ถูกเมดจะได้ไม่มีอุปสรรคต่อไปเก่าที่มันถูกคันไอ้ที่ไม่คันเราไปเก่ามันจะหายคันไห ม, ไมขอประทานโทษขอกล่าวคํานี้ให้ท่านฟังจึงเปรียบเทียบให้เขา้าใจถ้าถ้ามาดูละครเขาเล่นกันดีไหมดี แต่ตัวเราก็ไม่ชาบหรือว่าเราเล่นดีไหมะละครชีวิตเราเป็นอย่างไรเล่นมานาน็นข้าวทะลแต่ชราไปกไปตามกันแล้วเล่นเรื่องอาไรมีทั้งรักมีทั้งแค้นไม่ใช่เรื่องพูดเล่นแน่นในส้วงแล้วเปเรื่องหึงเรื่องหวงนหนักเนืองในหัวใจเล่นไปเล่นมาก็เรื่องนี้ทั้งนั้นเรื่องแค้นกันเรื่องอิจฉานิษยากันเป็นการเรื่องละครชีวิต แต่เราก็ไม่สามารถจะใช้ชีวิตแก้ไขปัญหาเราได้เราเล่นละครเข้าขังตัวเองมีท่านคือเกียรมีท่างสิโกงมีท่งางคือฉามีท่างลิชยาึงกนกนรลกครถ้าเราพบพระแล้วจะขยันมันเพียนเรียนหนังสือจะขยันมันเพียนประกอบอาชีพการงานตนะี พ, พระท่านจะไม่เกียดตเหมือนแต่ก่อนมาจะขยันมันเพียนตลอดรายการ ตัวเองก็จากที่โกและกะ็กระตือรือร้นในการข้า้ความดีขึ้นมาและท่านจะไม่เบียดเบียนครับถึงเงินทองไม่ที่โกงที่เม้มแต่ประการใดเพราะมีพระประจําติดประจําใจแล้วมันเกิดแสงสว่างท่านมาสแสวงหาความซึงของจิตท่านมาเนี่ยต้องการอะไรหรือต้องการหาความจึงต้องการอดทน เพื่อบ่มปลกให้มีสติปัญญาเพื่อตองสาอจะแก้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในอนาคตต่อไปตรงนี้จะถูกมากคือฉันจะมาเที่ยวเล่นกันจะมาคุยันในเสียงเอ็ดเสียงดังเท้าความหลังก็ทำไมแล้วที่น้องที่รักไปไหนอย่าเอาปากไปเอาตาหูจมูกไปก่อก็ติปัญญากรยา ไปไหนปากอย่าไว้เลยใจอย่าเบาเรื่องเก่าอย่ามาลื้อยเฟื่องเรื่องอื่นอย่ามาเคิดกิจที่ชอบทําไมไม่ทํำละ่ะกิจที่ชอบควรจะทําเป็นปัจจุบันธรรมก็พุทธเจ้าให้ทําปัจจุบันอดุอย่ามาลือฟื่องเรื่องอื่นๆๆอย่าคิดกิจที่ชอบทําไมไม่ทําอนาคตก็ไม่แน่นอนอย่าจับมั่นคั้นให้มันตายจะผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิต ชีวิตจะเป็นหมันทรัพยากรของท่านจะเป็นหมันทำ ม, มาฮักิ่นจะไม่ขึ้นผิดหวังแล้วจะเสียใจจะหลอดชีวิตจะทั้งตายไม่มีใครช่วยท่านแต่ประการใดเล ย, เลยตรงนี้เป็นกดหมายอันนั้นพราะนั้นการเจริญกุศลพร่ะภาวนาต้องการให้มันพุดให้มันเกิดเอ็นที่จิตใจทั้งท่านไม่ใช่เอาพระมาเทิด แล้วไปฟังวิทยากรแล้วก็เป็นคนดีเป็นไปไม่ได้แน่ก็ขาดหลักธรรมขาดจิตกรรมทุ่งชีวิตแล้วไหนลแล้วท่านจะเปลี่ยนพฤติกรรมของธรรมดาพฤติกรรมก็เปลี่ยนไม่ได้ภาวะก็ไม่เปลี่ยนนิสัยก็ไม่เปลี่ยนจิตใจก็คนเดิมก็นาคาเต่เาเขาไปอีกนี่ตรงนี้เป็นจุดสําคัญของการปฏิบัติกรรมฐานไม่ใช่หมายความว่ามานั่งไปสวรรค์นิพพาน มาผวายสักขทานถึงกับไปสวรรค์ชั้นนี้ชั้นนี้ตามใบลานที่เท็จพระมาแต่งกันเยอะเลยนะแต่งเลยเลิศเลยทําบุญนิดเดียวนะ่ะไปสวรรค์ต้องสร็ชั้นผวายนิดเดียวเท่านั้นนะ่ะไปสวรรค์ไม่จบรกไม่มีความจริงเลยแล้วเดี๋ยวก็จุตใจลามกโศก็ปกไปทำบุทาบาปแต่ไขปัญหาไม่ได้ไหนทําทานนิดเดียวไปสวรรค์ละ มันจะบวกลบคูณหารมันจะติดบาหรือตึกบุญตึกคูณหรือติกพอดเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นั้นมีความําขันตรงนี้แง่หนึ่งเนี่ยบางแห่งเนี่ยเขามาอบรมที่มีการฝึกกันวันย่างข้ามวิทยากรเยอะหมดเบิ่งจงกรมก็ไม่ได้นะทาอะไรก็ไม่ได้ท่าอาจารย์ได้ของจริงนะเลยก็ได้ของปลอมเป็นยุติปัสตร์ไมได นึกเงินก็ไม่หลายนองนึกทองไม่ไหลามาเป็นวิปัสสนึกนึกแล้วไม่ได้ยังสมนึกเพราไม่มีความคึงเลยเพราะทาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เลยจะได้อะไรล่ะขอฝาก ท, ท่านชายท่านหญิงทุกท่านไว้ด้วยขอแท้จึงเป็นประการได้การปฏิบัติธรรมนี้ต่อไปใช้ตลอดชีวิตต้องหาความสงบที่จะมาพูดไว้วันก่อนแล้ว ข่าววัดให้มันครบสามวัดไม่ใช่มาวัดอภาวารานมานั่งเงียบชียอยู่ท่าลานี้แล้วก็เป็นคนดีนะโดนไม่ต้องปฏิบัติธรรมเลยเป็นคนดีได้ยอย่างไรเอาพระมาเทศสักร้อยองค์เราก็ยังดีไม่ได้เทศแล้วก็ฟันเราไปอย่างนั้นเองแต่ไม่ปฏิบัติตามที่เทศเขาไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรจับจุดมันไม่ได้แล้วชีวิตนี้คืออะไร ท่านกองไม่ชาบเลยนะแล้วท่านจะเอาอะไรอีกเ้าาคงไม่ได้อะไรกลับไปท่านจะผิดหวังจากวัดอภวันไปไปที่นาทิได้นาทิได้มากบางแห่งบวชชีพรามอตาต ม, มาไปชั้นเกิดการองนี้ไปเยวมาพูดแต่ช้าพอสายหน่อยพูดขมบ่ายหน่อยพูดไปรหวี่ยหวานมันเค็มไม่เหมือนกันเลยจับหลักไม่ได้เลยหลักศาสนาก็หมด ต้งยึดหลักสิงธมาที่ปัญญาเป็นหลักปฏิบัติคือมากแปดทุกที่มันเกิดเพิ่มต้องยึดอริยสัจสี่เป็นข้อปฏิบัติทุกสมุภัยมีลดมักมันเกิดทุกจุงไหนก็แก้จุงนั้นเหตุมันเกิดจุงไหนต้องแก้ที่เหตุอย่าไปแก้ปล้ายเหตุไม่ได้เราชอบแก้ปล้ายเหตุการเหมือนท่านทั้งหลายปลูกต้นไม้ก็ะต้นนึงไม่เคยรดน้ําทีหลัก เอาน้ำไปลดที่ยอดให้มันออกดอกไวๆมันจะได้มือผลออกมาให้เรากินเราใช้นเนี่มันผิดนะควรจะลดน้ำที่รากก่อนให้รากมันดูดเข้าไปเลี้ยงยอดเลี้ยงใบถึงจะถูกต้องเดี๋ยวกลับใจร้อนไปลดน้ำที่ยอดเอาน้ำไปลดที่ยอดผมมาแล้วมันจะออกดอกออกใบให้ใหญ่หรือผิดสุดที่ละมุดถูกเม็งจะแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เลย ชอบฟังบางคนเข้ามาที่นี่เขาถามที่วัดนี้ปฏิบัติอะไรปฏิบัติพื้นฐานอ้อไม่เอาแล้วฉันจะมาต่อยาถามไปถามมากำหนดพองยุบดูสิกำหนดไม่ได้เลยพองยังไม่ทันหนอยุบแหละพอยุบยังไม่ทันหนอพองออมาม่ยากเลยพองยุบพองยุบแล้วด่าอะไรฮะทำไม่ได้แล้วจะไปต่อยา นาทุดามากกรรมยังอะไรจะผิดหวังไปที่นาทุดายศูนก็ไม่มีตัณฑ์ก็ไม่มีแล้สจัมภะชัญญะไม่มีท่านจะมีสุ่งนี้อย่างไรศีลาเจระะวัตรข้อหนึ่งเนี่ยที่เราสอนกันมาคือปฏิบัติกรรมฐานมกตัณฑ์ประฐานคือเยอะตลักทางเฉลเอดไว้ก่อนลถสื่อล้ออย่าไปเอาเหลือเจ้ของล้อเหลือล้อเดียวรถจะวิ่งไปไม่ได้นะ ต้องมีสติปัญฐาคี่กายาุปัฏสฐสาพนพอนึกายจะยืนกายจะเดินจะนั่งจะนอนจะเลี้ยวซ้ายแลขวาจะขู่เหยียดเหยียดขา ม, มีสติม่สินเข้าไปกำากับจุดให้มีสติปัญญาในการเยี่ยงเท้าก้า ว, าวไปในอารียบทต่างๆจะเลี้ยวซ้ายหรือจะแลขวา จะขูดเหยียดหรือเหยียดขาตั้งปรสติไห้ทุกอริยบทนี่สติถึงจะถูงอยู่แต่จัมกายคือจัมเจรพระสามปัญญะแปลว่ารู้ตัวว่าเดินสวยนะสัมปัญญะมันจะบอกให้เรารู้ว่าเราเสียมารยาทในสังคมแล้วสติมันก็ระลึกไวเ้เสมอว่าเตรียมพร้อมแต่สัมปัญญะน่ะแปว่าเหมาะสม ว่าเราเอานี่ไปวางตรงนี้เราหน่าตรงนี้เหมาะสมไหมเราจะรู้ตัวของเราเองนะนี่คือทิงจะถูกต้องในการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่านั่งเห็นพระพุทธเจ้าเห็นโง น, นเห็นนี่เดี๋ยวก็จะมาพูดว่ามันหน้าวัตรวันมาเจ็ดวันไม่เคยเห็นอะไรเลยไม่ต้องการเห็นอะไรหรอกต้องการจะเห็นคุณเหลือของตัวเองว่าตัวเองมีคุณเหลือเท่าราย เอาออกมานับมังมะไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเนี่ยมีกิเลสอย่างไรไปรู้คนอื่นดูคนนั้นไม่ดีคนนี้พูดไม่ดีคนนั้นทำไม่ดีคนนี้ทำไม่ดีแต่ตัวเป็นอย่างไรการเจริญกรรมาถามต้องการจะรู้ตัวเองไม่ต้องไปดูคนอื่นเขาจึงต้องกาหนดไว้เห็นหนอเห็นด้วยปัญญาต้องดูตัวเรารู้หนอที่ลิ้นปีนะ่ รู้หมอเรามีอะไรบ้างมีอะไรขาดข้องท้ายเส้นเหนือในชีวิตเราบ้างต้องดูตรงนี้นะไม่ใช่ไปดูคนอื่นเราถือจะมาันเกิดการมาหลายสุบปีละยังไม่มีใครจะแก้ปัญหาชีวิตเมีแต่ไปสร้างแต่ปัญหาสร้างความวุ่นวายให้กับลูกสร้างความยุ่งโด่งให้แก่สา ม, มีภรรยาสร้างความหายยะให้แก่ บ, บิดามารดา พ อ, อแม่ก็ไมาดูสร้างความยุ่งถูกพันไว้ปัญหากับลูกทำให้ลูกทะเลาะกันฟ้อง